ผู้ฝึกตนพระพุทธภาสิทธอุดะกังหินัยันติเนติกาอุสุการานามายันติเตชะนังทารุงนามายันติตัตชกาอัตานังนามายันติสุบบตาแปลความว่าชาวนาย่อมไขน้ําเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนอธิบายความ การฝึกตนได้อธิบายมาบ้างแล้วในเรื่องที่เก้าแห่งวรรคนี้จะพนาณาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยขอกล่าวถึงคำว่าผู้มีวัดดีก่อนคำนี้หมายถึงท่านผู้ได้รับการอบรมมาดีมีกิรยามารยาทเรียบร้อยรู้จักที่ต่ำที่สูงควรประพฤติอย่างไรต่อ บ, บุคคลรประเภทไรเป็นผู้มีมัญญาดงามมองดูน่าปลื้มใจน่าเลื่อมใสอาการดังกล่าวนี้ย่อมได้มา้วยการอบรมฝึกฝน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 ระเบียบวินัยเป็นธรรมสาคัญทั้งแก่ชาติและาศาสนาชาติที่เจริญได้หรือเจริญแล้วคนในชาติต้องมีระเบียบวินัยรักษาระเบียบวินัยของชาติอย่างดีไม่ทําอะไรตามใจชอบของตนกฎหมายพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับของสมาคมเหล่านี้ล้วนเป็นวินัยทั้งสิน้นการมีวินัยก็เพื่อไม่ให้คนหนึ่งไปริษทริทธิหรือทําความลําบากให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยพระการเพราะว่า คนที่อยู่กันหมู่มากย่อมมีคนมักง่ายบ้างเห็นแก่ประโยชน์ตนเบียดเบียนประโยชน์โดยชอบธทำของผู้อื่นบ้างก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นบ้างรัฐบาลหรือพระเจาแผ่นดินจึงต้องให้มีระเบียบวินัยของประเทศของหมู่คณะเพื่อให้สังคมได้รับความเป็นธรรมใครประพฤติผิดวินัยข้อบังคับย่อมได้รับโทษสมควรแก่การกระทําเช่นกฎหมายห้ามไว้ว่าห้ามฆ่าคน ใคไปฆ่าเข้าย่อมได้รับโทษตามควรแก่กรณีที่กฎหมายได้ระบุไว้คนมีวินัยดีได้รับการยกย่องว่าเ ป, เป็นพลเมืองดีของชาติถ้าคนส่วนมากเคารพต่อวินัยของชาติและรักษาวินัยนั้นได้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะไม่มีความยุ่งทั้งหลายมาจากคนในชาติประพฤติผิดวินัยของชาติทั้งสิน้นอันหนึง่งระเบียบ ว, วินัยทําให้ดูงามไม่ว่าวัตถุหรือบุคคลดอกไม้ที่จัดเข้าระเบียบแล้ว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 ไม่ใช่ใครนึกจะ ท, ทิ้งตรงไหนก็ทิ้งได้จะบวนน้ำลายจะนั่งจะนอนย่อมจะต้องถูกที่เหมาะแก่การกระทำนั้นนั้นเราเบียรวินัยอย่างนี้ธรรมชาติของขาวเป็นอารยะส่วนชาติที่ไม่เอาใจใสา่ต่อเรื่องงกล่านี้บ้านเมืองก็สกปรกไปทุกขนทุกแห่งใครมาเห็นข้าแม้ไม่พูดก็นึกดูหมิ่นในใจไม่ครบนับถือการกระทาของคนในชาตินั้นเองกฎชาติของตนเองให้ต่ำลงเป็นอนาระยะ แม้จะมีชาติตั้งชาติมาแล้วตั้งห้าถึงหกพันปีก็ไม่มีใครยกย่องว่าเป็นชาติที่เจริญเมื่อชาติถูกดูหมิ่นเสียแล้วคนในชาติก็พลอยถูกดูหมิ่นไปด้วยชาติจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อความเจริญของชาติของเราจึงควรฝึกตนให้มีวินยัยรักษาวินัยของชาติจะกล่าววินัยของาศาสน า, สาศาสนาทุกาศาสนาย่อมมีวินยัยเพื่อสาสนิกจากได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นผลดีแก่ตนและแก่ผู้อื่น ในพุทธศาสนามีวินัยทั้งของคลือหัดและบันทัิตวินัยของคลือหัดอาคาริยวินยัยเช่นสีล 5. ห้าสี 8, สน 8. แปดกุศลกรรมบทสิบเป็นต้นล้วนแต่เป็นปเพื่อความดีของคลือหัดผู้นั้นและความดีของส่วนรวมตัวอย่างสีล 5. ห้าเว้นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดเท็จการติดยาเสพติดให้โทษคนใดประพฤติร่วงวินัยนี้ ย่อมได้รับโทษทั้งทางบ้านเมืองและโทษทางศีลธรรมหากไม่เชื่อเขืนประพฤติร่วงบ่อยๆก็จะได้เห็นด้วยตนเองว่ามีโทษจริงหรือไม่ส่วนผู้เชื่อฟังไม่ประพฤติล่วงย่อมจะได้เห็นคุณด้วยตนเองเหมือนกันวินัยของบรรพชิตคืออนาคาริยาวินยัยมีสองพวกได้แก่วินัยของสมเณรและวินัยของภิกษุวินัยของสมณเณรนั้นกล่าวโดยย่อมีดังนี้คือศีลสิทธ นาสนังฆะสิบและทันทกรรมสิบศีลสิกขาบทสิบกับนาสนังคะสิบนั้นห้าข้อแรกเหมือนกันต่างกันในห้าข้อหลังส่วนทันทกรรมสิบนั้นห้าข้อแรกเหมือนห้าข้อปลายของศีลสิกขาบทสิบพึงดูดังนี้ศีลสิบหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักทรัพย์สามห้ามเสพเมถุนสี่ห้ามพูดปดห้าห้ามดื่มน้ำเมา ห้ามฉันอาหารยามวิการเจ็ดห้ามฟ้อนรำขับร้องและดูการละเล่นเช่นนั้น 8. ปดห้ามแต่งกายด้วยของหอมเกห้ามนอนบนที่นอนสูงใหญ่สิบห้ามรับเงินและทองนาสนังค่าสิบหนึ่งถึงห้าเหมือนสินสิบห้าข้อแรกเพิ่มอีกห้าคือหกผู้ติเตียนพระพุทธเจ้าเจ็ดผู้ติเตียนพระธรรม 8. ปดผู้ติเตียนพระสงฆ์ เเป็นมิจฉาทิฐิสิ 10. คมขืนนางภิกษุณีธันตกรรมสิ1หนึ่งถึงห้าเหมือนข้อหกถึงสิในสิ้นสิ์ที่ต่างกันมีดังนี้หพยายามเพื่อให้ภิกษุเสื่อมลาภเจ็ดพยายามเพื่อหายานาของภิกษุ 8. พยายามให้ภิกษุอยู่ไม่ได้เกด่าทอตัดพ่อภิกษุสิบยุยงให้ภิกษุแตกกันนาสนังคะ แปลว่าองค์ที่ทําให้ฉิบหายคือเมื่อสามเณรล่วงละเมิดข่าวแล้วต้องให้ศึกนาสนันคาของสามเณรก็คือประราชิชของพระนั่นเองส่วนทันตกรรมนั้นคือการทําโทษเล็กๆน้อยๆเช่นให้ล้างซุวมให้กวาดลานเจดีย์เป็นต้นเพื่อให้เข็ดลาบเพื่อระวังไม่ให้ไม่ทำต่อไปนอกจากนี้แล้วสามเณร ย, ยังต้องประพฤติในเสียขียวัตรเจิบห้าอันถือว่าเป็นสมบัติของผู้ดีเกี่ยวกับการขบชัน การนุ่งห่มการยืนเดินและแสดงธรรมเป็นต้นเรื่องกิริยามรญญาตในการกินการอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ละเอียดมากซึ่งหาไม่ค่อยได้ในอินเดียสมัยนี้ส่วนวินัยของพิสุนั้นกล่าวกันว่าได้แก่วินัยสองอยี่สิบเจ็ดข้อนั่นคือวินัยที่มาในพระปาติโมก ค, คือที่พระสวดทุกครึ่งเดือนในพระตาบีดกหลายแห่งกล่าวถึงพระวินัยปาติโมกเป็นพื้นกล่าวกันว่าอีกเจ็ดสิบเจ็ดข้อนั้น ท่านพนุเขามาภายหลังคือเสกคิยาวัตเจ็ดิบห้าและอนิยตสองความเป็นจริงศีลหรือวินยัยพระนั้นเป็นอปปะริยันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรแม้มิได้บัญญัติไวในพระวินยัยก็ทำไม่ได้หมดวินัยส่วนที่เป็นอภิสมาจาร์หรือสมบัติผู้ดีมานอกพระปาฏิโมกท่านเรียกว่ามาในขันธกะวินัยส่วนที่มาในปาติโมกท่านเรียกว่า อาทิพรหมจันทร์คือเป็นเงื่อนต้นของพรหมจันทร์ส่วนที่เป็นสมบัติผู้ดีท่านเรียกว่าอภิสมาจารย์แต่ตามตัวว่าความประพฤติอันยิ่งความประพฤติหรือมรญญาสูงเป็นต้นกล่าวให้กระชับเข้ากว่านี้วินัยของพิสุดโดยรวบยอดก็คือจตุปาริสุทธิสีลสี่นั่นเองจตุปาริสุทธิสีลสี่หนึ่งปาทิโมกสงังวรสำรวมในศีลปาทิโมกสอง อินรียสังวรสำรวมอินรีหคือระวังตาหูจมูกลิ้งกายใจยอยู่เสมอ 3. อาชีวะาริสุท ธ, ธิศีลเลี้ยงชีพในทางบริสุทธิ์เวน้นอเนสนานวงเล็ดการสแสวงหาอันไม่สมควร 4. ปัจจยะสันนิสิตะเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือให้พิจารณาเสียก่อนหรือหลังการบริโภคปัจจัยไม่ใช่บริโภคเพื่อติด อาศัยมันเพื่อนําตนออกจากภพวินัยของมัรพจิตนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงวางไว้เพื่อทําหมู่ให้งามเพื่อคนที่ยังไม่เริ่มใส่ได้เริ่มใส่เพื่อคนที่เริ่มสายอยู่แล้วเริ่มสายยิ่งยิ่งขึ้นไปและเพื่อขัดกลากิเลสให้เบาบางจนหมดสิ้นไปประยามใหญ่บรรพชิตที่มีวินัยดีชื่อว่าเป็นหลักในศาสนารักษาศรัทธาของชาวบ้านให้อย่างยืนเป็นตัวอย่างแก่อนุบัรพจิจขัดเกลากิเลส ข, ของตน ถาจิตให้เปลี่ยนด้วยปราโมทเป็นบาทแห่งสมาธิและวิปัสสนาบัณฑิตไม่ว่าบรณชิตรหรือฆเลหัดจึงควรฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยดีท่านกล่าวว่าคนไม่มีระเบียบวินยัยที่ออกไปในโลกนี้เหมือนกวายตาบอดที่ยวไปในป่าย่อมประสบอันตรายเพราะไม่เห็นหลุมบ่อรกเลี้ยวเรียวหนามเป็นต้นการฝึกตนมีความจำเป็นที่สุดในชีวิตมนุษย์คนจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การฝึกทั้งเส้น ยิ่งฝึกตั้งแต่เล็กยิ่งได้ผลมากพ่อแม่จึงควรฝึกลูกให้เข้าร่องรอยตั้งแต่อายุอย่างน้อยจะได้เบาใจเมื่อเขาเติบใหญ่ควรมีปกติฝึกตนเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพอเป็นคติได้ก็นำมาสอนตนฝึกตนเช่นสุขาสามเณรสุขาสามเณรเป็นสิทธิภาษารีบุตรมารดาของเณรเป็นชาวเมืองสาวัตถีที่ตั้งชื่อว่าสุขะเพราะมารดาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งคันมา คนในครอบครัวมีแต่ความสุขความจำเริญใจนางได้ถวายทานอยู่เสมอตั้งแต่เด็กถือปฏิสนธิในคันเมื่ออายุได้เจ็ดปีเด็กชายสุขอยากบวชในสำนักพระสารีบุตรขออนุญาตมารดานางก็ไม่ขัดข้องเพราะเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำลายอัจฉริยสยแห่งบุตรเมื่อบวชแล้ววันหนึ่งสามเณรไปบิณฑบาตกับพระอุปชัยยะคือพระสารีบุตรในระหว่างทางสามเณรได้เห็นชาวนาไถน้ำเข้านา เห็นช่างสอนดัดลูกศรช่างถากถากไม้แล้วได้ความคิดว่าน้ําลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีจิตแต่คนยังสามารถไขดัดและถากให้เป็นอย่างที่ปรารถนาได้ฉนันเราผู้มีจิตจะฝึกตนไม่ได้สามเณรคิดดังนั้นแล้วปรารถนาจะกลับมาบําเพ็ญสมณธรรมจึงบอกลาพระเถระขออนุญาตกลับวิหารพระสารีบุตรรู้อัจฉริยสาัยของสามเณรจึงอนุญาต สามเณรกลับมานั่งบําเพ็ญเพียรอยู่ในห้องขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหมือนกันและทรงทราบว่าสามเณรยังไม่ทันสําเร็จอรหัตพระสารีบุตรจะกลับมานําเอาวินทบาปมาให้สามเณรการมาของพระสารีบุตรจะเป็นการทําลายสมณธรรมของสามเณรดังนั้นพระส ถ, ถาคตกําหนดเวลามาของพระสารีบุตรแล้วเสด็จประดับอยู่ที่ประตูวัดเชตวันทรงทวงเวลาของพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหาหลายข้อ ในขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นั่นเองสามเณรได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระโสพภณทรงทราบด้วยประยานจึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำบินธบตมาให้สามเณรได้พระศาสดาทรงปราลบเรื่องที่สามเณรอายุเจ็ดขวบฝึกตนเพราะเห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเป็นต้นนี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าชาวนาย่อมไถน้ำเข้านาผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนเป็นต้น มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วบุพกรรมอันเป็นอุปนิสัยของสุขาสามเณรตำนานเล่าว่าในอลิธการมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อคันทักุมานเมื่อบิดาตายแล้วสาวรั์สมบัติมีอยู่ในสกุลเป็นอันมากรับช่วงกันมาตั้งแต่สมัยปู่และตาเขาเห็นว่ารัพย์เหล่านั้นที่บรรพบรุษสั่งสมบเมื่อตายแล้วก็หาเอาติดตัวไปได้ไหมจึงนำซั์ออกบริโภคใช้สอยอย่างโอราน เพื่อให้หมดไปในช่วงชีวิตของเขาความหรูหราฟุ่งเฟยของท่านคันทศเศถษีนั้นเป็นที่ปรากฏทั่วเมืองพาราณสีขนาดเวลากินข้าวก็มีคนมาดูกันเป็นจนวนมากทุกมือทางนี้เพราะอาหารและเครื่องอุปกรณ์ในการบริโภคล้วนเป็นของแพงราคาแสนทั้งสิน้นว่าหนึ่งคนยากจนมีอาชีพขายฟืนคนหนึ่งมาดูการบริโภคของเศรษฐีแล้วอยากกินอาหารอย่างนั้นบ้างขนาดท่าไม่ได้ก็จะยอมตาย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 พัตตะพติกะแปลว่ารับจ้างเพื่อผัดเขาทา ง, งานอยู่สามปีเต็มโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยเศรษฐีจึงมอบอาหารถาดหนึ่งให้ซึ่งมีราคาเป็นแสนพร้อมทั้งบอกปริวาลชนให้ปฏิบัติเขาทำนองเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตนมือหนึ่งเศรษฐีให้เปาประกาศไปทั่วนครให้คนมาดูการบริโภคอันโอลานของนายพัตตะพติกะขณะที่เขาล้างมือตรีมบริโภคนั้นเอง พระปเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูที่ขควจรและคนที่คนโปรดได้เห็นนายพระตะพัติกะนั้นมีอุปนิสัยพร้อมจึงมาโปรดยืนอยู่เบื้องหน้าของเขานายพระตะพัติกะเห็นแล้วเลื่อมใสและคิดว่าเพราะมิได้ทำบุญให้ทานไว้ในชาติก่อนชาตินี้จึงเกิดมายากจนจะกินอาหารดีสักครั้งหนึ่งก็ต้องทำงานจ้างถึงสามปีหากเราบริโภคอาหารนี้ ก็จะพึงรักษาเราได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แก่พระประเจกพุทธเจ้ามันจะสามารถรักษาเราได้หลายร้อยชาตินายพระตะพติกะน้อมอาหารเข้าไปถวายเมื่อเกลี่ยข้าวลงในบาทได้ครึ่งหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าปิดบาทแสดงว่าพอแล้วแต่เขาขอร้องว่าอาหารนี้พอสําหรับคนคนเดียวเท่านั้นโปรดรับทั้งหมดเถิดเพื่อสงเคราะห์เขาในโลกหน้าพระประเจกพุทธเจ้าจึงรับจนหมด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 เศรษฐีทราบความแล้วเต็มด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายพัตตพติกะทํากิจที่บุคคลทําได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านี้เป็นเวลานานแล้วยังไม่อาจให้อะไรได้เลยเขาให้เรียกนายพัตตพติกะมามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วขอแบ่งเอาส่วนบุญนายพัตตพติกะอุทิศส่วนบุญให้เศรษฐีด้วยเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจำนวนมากต่อมาพระราชาแห่งพราราณสี ทรงทราบเรืองของนายพัตตพัิกะแล้วทรงโสมนัสเรียกเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอแบ่งส่วนบุญทรงรับส่วนบุญแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ในายพัตตพัิกะพร้อมทั้งพระราชทานตําแหน่งเศรษฐีให้เขาได้ชื่อว่าพัตตพัิกะเศรษฐีด้วยประกาศลัคนีพัตตพัิกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันทะเศรษฐีนั่งหรือการบริโภคร่วมกัน เมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสวยที่ประสมบัติสิ้นพุทธันรนหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เขามาถือปฏิสนธิในครันแห่งหญิงคนหนึ่งในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีเขาคือสุขะสามเณร น, นั่นเองนี่คือบุพกรรมของสุขะสามเณรสมควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่าการทําบุญที่พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสี่นั้นย่อมมีผลมากและให้ผลในปัจจุบัน ปฏิสัมพิทาสี่คือ 1. วัตถุสัมปทาหมายถึงทําบุญแก่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 2. เจตนาสัมปทาความพรั่งพร้อมแห่งเจตนาดีทั้งก่อนให้กำลังให้และให้แล้วกล่าวคือมีจิตเลื่อมสายอยู่ตลอด 3. ปัจจัยสัมปทาความพรั่งพร้อมแห่งปัจจัยคือของถวายกล่าวคือของนั้นไดมาโดยสุจริต โดยชอบธรรม 4. คุณาติเรกสัมปทาหมายถึงได้ถวายปัจจัยแก่พระทักขิเนยบุคคลตั้งแต่พระอนามคามีขึ้นไปผู้ออกจากนิโรธสมาบัติบุญของนาย พ, าพะระตะพติกะร่งพร้อมด้วยสัมปทาทั้งสี่นี้จึงให้ผลในทันทีทันใด